สิกขาบทวิพังห้าร้อยคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุเนี่ยที่บายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าทองพรงตรัสหมายถึงวัตถุที่มีสีดุจพระชวีของพระาศาสดา ที่ชื่อว่าเงินได้แก่กหาปณะมาศกที่ทําด้วยโลหะมาสกที่ทําด้วยไม้มาสกที่ทําททด้วยครั่งที่ใช้เป็นอัตราสําหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันคําว่ารับคือภิกษุรับเองต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีคาว่าใช้ให้บุญรับคือภิกษุให้คนอื่นรับแทนต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีคาว่าหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้ความว่าภิกษุยินดีรูปิยะที่เขาเก็บไว้ให้โดยบอกว่า สิ่งนี้เป็นของท่านดังนี้รูปียะนั้นเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละใน่ามกลางสงพิกสุทั้งหลายพิษสุพึงสละรูปียะที่เป็นนิสกีอย่างนี้